วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลยิ่งทางกองกากับการตำรวจตอเว็นชายแดนที่24อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้เข้าไปนิมนต์หลวงพ่อว่าขอนิมนต์มาแสดงธรรมกับคณะสัทธายาตโยลูกหลานที่ค่ายมี ทางตำรวจและครอบครัวที่จะมาฟังธรรมเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแต่หลวงพ่อก็รับแต่ตามไม่จริงก่อนในครั้งก่อนๆคงจะเป็นครบรอบปีและกำลังที่หลวงพ่อมาคราวนั้นแต่หลวงพ่อก็อได้บอกกับทาง ท่า น, น, น, นผู้กองกลับแล้วก็พูกที่เกี่ยวข้องป่าวหลวงพ่อเนี่ยแก่แล้วนะคณะทาญาทโยมลูกหลานนะเน่ยพ่อหลวงพ่อปีนี้อายุเจ็ดสิบปีแล้วปีนี้จะเข้าเจ็ดิเ็ดแล้วนะั้นลูกหลานนะเพราะฉนั้นพวกเราคณะทาญาติโยมลูกหลานนะเนี่ยเป็นน้อ ง, องของหลวงพ่อเป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อทั้งหมดเลยเพราะยังไม่ได้เกษียรราชการเนี่ยก็ต้องเป็นน้องที เ อ, ออพอหลวงพ่ออายุเจดสิบแล้วเนี่ยเออแล้วก็ติมนหลวงพ่อวันที่หนึ่ง เ, เข้ามาเทศวันที่หนึ่งเมษาอพอต่อมาเขามาอบอกว่ามีภาระธุระเะขเลื่อนเป็นเป็นวันที่เก้านะแล้วก็พร้อมกันเมื่อวาเมื่อหลวงพ่อเองก็ลงไปนู่นน ะ, ะลงไปกรุงเทพตั้งแต่วันที่สแล้วก็ไปทำทุระ ล้วก็เพิ่งเพิ่งขึ้นมาเมื่อวานพอขึ้นมาลงจากสนามบินลงจากสนามบินพระก็รายงานว่าหลวงพ่อจะไดะ้มาพบกับทางตชดค่ายเสยนีนั้นหลวงพอ่อเอาวันเวลาเท่าไหร่เวลาสิบโมงมโอ้ถ้าว่าเราเข้าไปวัดแล้วฉันจะขรารเสนาตีรถกลับออกเมายาวเกินไป ก็เลยมาพักอยู่ที่วัดอำเภอเพนเมื่อวานนีอยมาพักอยู่ที่อำเภอเพนวัดใหม่บ้านห้วยม่วนบ้านห้วยวังโตนอำเภอตำบลสุ่มเช่าอำเภอเพน เ, เมื่อเช้าในฉันยังหันเสร็จแล้วก็ออกมาขนาดหลวงพ่อเนี่ยคณะจัททาย ญ, ญาติโยมนะออรู้สึกว่าตะเนิดเปิดเปิงกำลังเปิลเปิลพอสมควรทะเลทรายพอสมควรเออออกวัดแต่ละครั้ง <c oughs> แต่วันนี้ก็ได้มาพบกับคณะสัาญญาตยาธิษฐานแต่ท่านผู้ ก, กํากับที่ได้พบได้เจอกันมาหลายครั้งมาเห็นข่าวนี้ก็คือคณะรัตย า, ญญาติษฐานลูกหลานที่เป็นต้ชดอแต่ถึงยังไงยังไงก็เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาในะพวกเราเป็นลูกศิษย์ูุหาองค์หลวงตาเพราะว่าหลวงตาได้มาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ ได้ให้กองทุนกับตชดอของพวกเราหลวงพ่อก็ยังลํำลึกถึงอยู่ว่าหลวงตาได้ช่วยตัชะลอมากพอสมควรในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่หลวงพ่อเอง่มาถึงจุดนี้หลวงพ่อเองก็ยังลํำลึกถึงองค์หลวงตาและก็พวกพี่พี่น้องๆ้องอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าหลวงพ่อเองก็ไปพูดอยู่ที่สวนแสนธรร เมื่อวันวันก่อนบอกว่าวันที่ 11-12 เมษายนเป็นวันครบพร้อที่หลวงตาเปิดโครงการหาทองคำเข้าคลังหลวงแล้วก็หลวงตาเปิดจนได้ทองคำถึง13ตันกว่าแล้วก็ได้เงินดอนลลาร์สกว่าดอลลาร์ล้านกว่าดอลลาร์ก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมาก็ประมาณ3 4มส0 0หมื่นล้านบาทก็ไม่ใช่น้อย ลงตาทำคนอุปการให้กับประเทศชาติแต่เมื่อวานหลวงพ่อเลยถามว่าวันที่20วันที่11 12จะรับจุดที่วัดป่าบ้านตาลและก็วันที่21จะมารับอยู่ที่สวนแสงธรรมแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อบอกว่าอาจจะไม่ได้ลงมาไม่ได้ลงมารับด้วยเนื้อคณ ะ, ะ, ะน้องๆทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอพอหลวงพ่อเนี่ย จะรับเป็นภาระในการสร้างเจดีย์ขององหลวงตาเนี่หลวงพ่อวันรับเป็นภาระในการสร้างเจดีย์หลวงตาว่าหลวงตาหลวงพ่อเนี่ยจะสร้างเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยล้านบาทหลวงพ่อว่างั้นนะหลวงพ่อจะรับเป็นภาระในการสร้างเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยล้านบาทเพราะนั้นที่จะช่วยอาหารทองคำเข้าครังหลวงเป็นระรอกระรอก แต่ละปีเนี่ยหลวงพ่อขอยอมแพ้นะออขอขอยอมรับซะก่อน เ, ออเพราะว่าจนกว่าจะสร้างเจดีย์ของหลวงตาเสร็จออพอหลวงพ่อได้พูดต่อทานหน้าทานะกรรมนันทั้งท่านภู่ว่าทั้งทุนกระมออ่องฟ้าหญิงด้วยว่าหลวงพ่อเนี่ยกลุมของหลวงพ่อเนี่ยจะรับสร้างเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยห้ล้านบาทคําพูดนี้ยังยังอยู่ที่หัวใจของหลวงพ่ออยู่ วันจนกว่าจีดีจะแล้วเสร็จตั้งแต่นี้ไปหลวงพ่อก็คงจะเก็บหอมรอมริบไปเ ร, เรื่อยจนกว่าจะได้ครบห้าสิบล้านบาทจึงจะได้มอบให้กับองค์หลวงตา <c oughs> <c oughs> พวกเราจะไปคุยกันนะ <c oughs> เด็กนักเรียน <c oughs> <c oughs> เย็นไหมจยไปคุยกันตรงนี้เป็นตรงฝั่งกดฟังสักหน่อยนะ อดฟังสักหน่อยเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังถ้าหาว่าใครไม่อยากจะฟังให้ออกไปข้างนอกไปไปนอกอหกอ้องจะไม่ท่านพูดกลับเออนั่นน่นสิท่านพูดกลับยอมรับเลยว่าถ้าใครไม่อยากฟังให้ออกไปข้างนอกใครอยู่ที่นี่ต้องฟังผมตรงนี้เป็นตรงฟังไม่ใช่ตรงมาคุยกันถ้ามาคุยกันถ้าใครอยากจะคุยกันมีธุระส่วนตัวออกไปคุยกันข้างนอก แต่ตรงที่เนี่ยเป็นตรงฝั่งเนี่ยหลวงพ่อไปทสถานที่ได้หลวงพ่อจะบอกว่านี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักกาลเทศะบุคคลการสถานที่บุคคลในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาว่าทำมันยุตตาทำความเป็นผู้รู้จักเหตุเหตุอันนี้เป็นมาจากไหนมันจึงเป็นเหตุทุกข์หรือเป็นเหตุสุขจังหวัดทำมันยุตตา อัฏฐานยุตตาความเป็นผู้รู้จักผลผลนี่มันมาจากไหนมันมาถึงมันเป็นเหตุอย่างนี้มันเป็นเรื่องอย่างนี้มันต้องมีเหตุซะก่อนจึงมีผลออกมาเนี่าอัฏฐานยุตตาอัฏตันยุตาให้รู้จักประมาณตนตนว่าด้วยชาติยศถาบรรดาศักดิ์ขนาดนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรแล้ววัฏฐานยุตตาอั อัตัญุตาความเป็นผู้รู้จักตนในฐานะของการเป็นอยู่มัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการบริโภคเราดูในสาธาสถานะอย่างนี้เราควรจะปฏิบริโภคอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเรียลวังมัดัญญุตากาัญญุตาให้รู้จักการการเวลาเช่นนี้เมื่อเข้ามาหาอยู่ในชุมชนอย่างนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรการัญญุตา เออไม่ใช่ว่าเราเข้าไปฟังหมอลำซิ่งหมอลําหมูก็ไปนั่งขัดสมาธินั่งหลับตาปีพุโทโธพุธโทโธมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมละ่ะเออเวลามาฟังเทศฟังธรรมด้วยมาคุยกันขโมองสงเสียงก็มันก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันเพราะตรงมาฟังฮะมาฟังไม่ใช่มักคุยกันนี่แหละ้จักการละเทศาการสถานที่สถานที่อย่างนี้ควรปฏิบัติตนอย่างไร ปริสัศยุตาประชุมชนเมื่อเข้าไปหาประชุมชนอย่างนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรระวางตัวอย่างไรประชุมชนอย่างนี้ในเมื่อเข้าไปเฝ้าในหลวงหรือเข้าไปเฝ้าผู้มียดถาบรราศันดิเราควรทำตนอย่างไร เ, เข้ามาประชุมชนอย่างนี้ เ, เราจะไปทำกันเหลิกเฮาก็ไม่ได้เราก็ต้องแสดงความเคารพในสถานที่ในบุคคล แล้วก็ปุคระประโรปรันยุตาให้รู้จักบุคคลเข้าไปหาคนคนนี้ควรครบไหมเป็นคนดีไหมควรจะคบไหมถ้าหาว่าคนชั่วเราก็ไม่ควรจะคบต้องคอบคนดีนั่นแหละอันนี้เป็นระหว่างปุคระประโรปรันยุตาให้รู้จักบุคคลที่ควรครบหรือไม่ควรครบให้รู้จักกัญยาณนะมิตรมิตรที่ดี ปลาปลามิดมิดชั่วเราต้องเลือกนะเพราะโลกก็ี่ยมันเลือกได้คณะสัตว์ญาติโยมลูกหลานโลกในโลกหาได้หาชั่วใจตัวเองก็ได้หาดีใส่ตัวเองก็ได้หาทลกหาสวรรค์หาความชั่วหาความดีหาคุกหาตารางใส่ตัวเองก็ได้หายอดฐานบรรดาศักดิ์ใส่ตัวเองก็ได้เราจะจะปลดจากตำแหน่งตัวเองก็หาเรื่องใส่ก็ปลดจากตำแหน่งตัวเองก็ได้มันหาได้ทั้งนั้นโลก เพราะนั้นเราจะหาอะไรใสร่ตนเองควรจะหาคุณงามความดีนะเสรุปแล้วคือต้องหาคุณงามความดีเสรุปแล้วก็ให้ไปนสถานที่ใดให้รู้จักทำมัญญูตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอัฏฐัญญูตาความเป็นผู้รู้จักผลอัฏฐัญญูตาให้รู้จกักรู้จักตนมัฏตัญญูตาให้รู้จักประมาณการัญญูตาให้รู้จักการเวลาปริสันัญญูตาให้รู้จักประชุมชน ปกคระงโปรยผยุติธให้รู้จักเลือกคนที่ควรครบรือไม่ควรครบรอปแล้วคือหลักของพุทธศาสนา ใ, ใช้ให้ใช้ปัญญาทาั้งนั้นนะไปนัดสถานที่ใดไม่ใช่ว่าฟังทะลุหูซ้ายตรุหูขวาไม่ใช่เราไปนัดสถานไดเราต้องฟังเแะ่ว่าอันิห้สงแห่งการฟังธรรมมีอยู่ห้าข้อผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง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 ปัญญาเกิดจากการจินตนาไขขวดพบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนี้เกิดประโยชน์หรือไม่เดีวก็ภาวนามาย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วนํามาพิจารณากันกลองไตรตรองเหตุและผลก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเพวัะนั้นสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้เห็นได้ฟังนะคณะนะสัตยทายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะคณะ ทุกท่านนะไม่ใช่ว่าไปณนะสถานที่ใดไม่ฟังไม่แต่คุยกันจะเกิดประโยชน์อะไรมานั่งอยู่เฉยๆมาแล้วก็มาคุยกันไม่ได้ฟังถ้าฟังไม่ต้องมีแนวความคิดนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นแล้วนะที่นี่นะคงจะไม่พูดนานนะครับนะักสัญาติโยมแล้วก็เมื่อฟังเทศจบแล้วหลวงพ่อจะมีเหรียญแจ ก, กนะวันนี้ที่แรก เพราะหลวงพ่อไม่ได้มาจากวัดนะถ้ามาจากวัดของคงจะมีเอ็มพีสแจกแต่นี่มาจากกรุงเทพหลวงพ่อไปเยี่ยมศรัทธาญาติโยมคนเก่าแก่เพราะองค์หลวงตาหลวงปู่ฟั่นนะท่านก็บอกว่าหลวงพ่อผมอายุแก่แล้วผมขอเนี่ยนะมีเหรียญให้ท่านท่านจะไปแจกใครก็ได้เออได้ไดได้ไดไดเอามาหลวงพ่อก็เลยเได้เหรียญมาท่านก็บอกว่า เหรียญรุ่นนี้เนี่ยรุ่นหลวงปู่ฟันนะหลวงปู่ฟันแจกนะท่านอาจารย์เน่ย เ, เพราะว่าผมไปสร้างวัดอยู่ที่เอาจังหวัดร้อยเอ็ดเอแล้วกันเนีมีชื่อมีชื่อวัดที่ผมไปสร้างอยู่ในนี้แหละบทนั้นหลวงพ่อเนี่ยหน้าเมื่อฟัง เ, เทศฟังธรรมจบแล้วหลวงพ่อจะแจกเหรียญนนะันแต่ไม่ใช่เหรียญหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เคยทําเหรียญ น, นะคณะสัตย า, า ญ, ญาติขอมแต่ไม่ปฏิเสธนะ ถ้ามีคนเอาให้เหรียญมาหลวงพ่อก็เอาไปแจกนะมีได้เ ห, หรียญหลวงพ่อไปแจกแต่ว่าจะให้หลวงพ่อทําเองหลวงพ่อไม่เอาเราไม่เอาทําเหรียญแต่ว่าถ้ามีมารหลวงพ่อไปเคยประมาทว่าเหรียญนี่ไม่ไม่ดีไม่ใช่ อ, อย่างน้อยก็มีพระพุทธโลกมีรูปคอุบายจารยอยู่ที่ในอยู่ในสร้อยอยู่ในกระเป๋าเสือ้อมีอะไรเกิดขึ้นนะไม่สบายอกไม่สบายใจเราก็ยังลําลึกถึงพระคุณของพระพุทธ พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพพ่อแม่ครูบาญาหลวงปู่หลวงตาคุ้มครองเนอรนี่เรายังมีความรำลึกถึงเพราะนั้นหลวงพ่อว่ามีประโยชน์ในระดับหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็พุทธพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจทุกขณะอนนั้นเลิ่ประเสริฐกว่านะการณ์สัตยาธิยมนะแต่สิ่งภายนอกเนะี่ยก็เออเป็นเครื่องเครื่องเสริมทําให้จิตใจของเรามีความสุข มีความอุ่นใจในระดับหนึ่งนะเรื่องรูปเรื่องเหรียญเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ระลึกอย่างชันมกัก เ, เกาของท่านลักษณะอย่างนั้น่ะที่เราได้มากัน แ, แล้วถึงพระคุณของท่านนะหลวงพ่อจะเข้าประเด็นแล้วนะเนีน่าหลวงพ่อจะพูดไม่นานนะโมตัสสะปะคะวะโตระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 วันนี้ได้เข้ามาพบกับกองกากับตอชอดคอ่ายเสรีหลนนยุทธตำรวจตะเวนชายแดนที่24อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนานทีหลวงพ่อได้มาพบกับคณะสัตธาญาติโยมลูกปลานพ่อมาถึงพวกเราท่านทั้งหลาย ที่อยู่เป็นคราวา่า แ, แต่ละวี่แต่ละวันก็ต้องมีเรื่องออสนุกสนานเพลินเพลินเฮฮาตามภาษาของโลกทั่วๆไปกระนานทีก็จะได้มีพระสงฆ์มาพูดเรื่องศีลธรรมจริยธรรมให้พวกเราได้ศึกษาให้ได้ฟังเพราะไดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประอบคุณงามความดี ให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้แต่คำว่าบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเรามองไม่เห็นเรามองเห็นแต่ทางนอกแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายนะคะนัทธายาโยมนะทึงเรื่องของกา ย, ยพวกเราเห็นร่างกายของเราเนี่ยพวกเราหาอะไรมาเลี้ยงร่างกายก็ต้องหาเงิน ในเมื่อได้เงินมาก็คือแก้วสารพัดนึกเราพร้อมที่จะซื้อสิ่งของเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับร่างกายแต่พร้อมกันกับแก้วสารพัดนึกตัวนั้นก็บางทีก็นึกไปในทางที่ผิดนะใช้ไปในทางที่ผิดก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินเลยใช้เงินไปในทางที่ผิดมันก็ผิดได้นะแต่ใช้ไปในทางที่ถูกมันก็ถูกได้เพราะมันเป็นแก้วสารพัดนึกแต่ทีนี้ถึงจะอย่างไงก็ตาม แต่พวกเราท่านทั้งหลายได้ใช้เงินแก้วสารพัดนึกตัวนั้นแหละเอามาซื้ออาหารการบริโภค อ, อ, อย่างดีเลี้ยงร่างกายยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอย่างดีมาบำ ร, รุงร่างกายผ้านุ่งห่มอย่างดีมาให้ร่างกายนุ่งสร้างบ้านหรูหลาโออาให้ร่างกายอยู่อาศัยถึงจะ ดูแลดีขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายเนี่ยเอออีกไม่นานอย่างหลวพ่อเนี่ยอายุเจ็ดสิบอย่างนี้เนี่ะเออมองเห็นแล้วมองเห็นเห็นตนเองน่ะท่านเห็นได้ชัดขึ้นละเอแล้วก็เห็นผมสีขาวขึ้นมาบนศีรษะแล้วก็เห็นฝันหลุดเลี้ยวไปเห็นตาฝ้าฟางเลี้ยวไปเห็นหูตึงเดี๋ยวไปเห็นหนังเหี่ยวเดี๋ยวต่อไปภายบ้างหน้าเดี๋ยวก็เห็นไม้เท้าค้ำยัน มากกว่านั้นต่อไปไปนอนอยู่ในเตียงลุกขยับกระเยื่อนไม่ได้มีแต่ลืมตาให้คนอื่นช่วยในการพยุงตัวพอใ น, นส่วก็หมดลมหายใจเข้าก็เอาลงใส่หีบไซโลจากนั้นก็ไปเผาไายทิ้งจริงใหม่ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเออเรียงลำดับให้ฟังเลยเจงใหม่เออพ่อความจริงมาพูดปะัะเาเรื่องเลี้ยงร่างกายเถอะเลี้ยงถึงขนาดไหนก็เลี้ย ง, ถงเถอะเลี้ยงร่างกายมันถึงจุดจบ ไม่มีไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าร่างร่างกายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าอยู่ในร่างกายของเรานี่มันมีอันหนึ่งที่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษ า, าในวันที่ออกที่พระพุทธเจ้าออกทรงปผนวชไปค้นคว้าศึกษายี่หกปีเดีวอยู่ที่ป่ า, าที่ฝั่งแม่น้ําอโนมาณถี ไปค้นคว้าศึกษาว่าในกายในใจของเรามีอะไรบ้างท่านไปค้นคว้ากันว่าในร่างกายของคนเรานะมีสองร่างกายเนี่ยคือว่ารูปประธรรมแต่จิตใจนั้นเรียว่านามธรร ม, าามนามธรรมาา ม, มองไม่เห็นเรียว่าเป็นนามเป็นมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อรูปประธรรมเนี่ยมองเห็นแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาท่านให้ความสาคัญเรื่อง นา ม, มาธรรมมากกว่ารูก ป, ประธรรมแต่โลกทางโลกของเราไม่รู้ประเทศไหนวิทยาศาสตร์แขนงไหนจะเป็นแพทย์ศาสตร์ก็ดีจะเป็นวิทยาศาสตร์แขนงไหนก็ตามเขาให้ความสําคัญเรื่องของกายมากกว่าเรื่องของใจเพราะเขามองให้เห็นเรื่องของนา ม, มาธรรมแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมองให้ความสําคัญเรื่องนา ม, มาธรรมมากกว่ารูก ป, ประธรรมเพราะเหตุว่าพระองค์ได้ตัด รัตนเป็นพระบาลีว่ามาโนปุพังขมาธรรมามโนเสศธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจคําว่าใจคำนี่คืออะไร ค, คือนา ม, มาธรรมนะที่มองไม่เห็นไม่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อชวนรูประทับกันมองมองเห็นกันขาสองแขนสองศีรษะหนึ่ง น, ะนั่นแหละคือ ร, ป ร, รูประทับแต่นา ม, มาธรรมคือจิตใจนะั้นตัวนั้นมองไม่เห็น แต่พระพุทธเจ้าให้ความจำเกณฑ์ําคัญในจุดที่มองไม่เห็นนั้นท่านเปรียบเทียบหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้คณะสัตธาญาติโยมทั้งหลายได้ทราบว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถคันนี้จะไปได้ต้องอาศัยคนขับเป็นรอกว่ารถคันไหนละ่ะก่อนที่มันจะขยับคยื่นได้ต้องอาศัยคนขับแต่คนขับนั้นมีนิสัยดีไหมมีมารยาทดีไหม มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีไหมใจตรงนั้นควรจะได้โบรโซเฟอรออ์ควรจะเข้าไปฝึกฝึกสอนวิธีการขับรถออสอนให้มีมารยาทในการขับรถกฎจราจรในการขับรถถ้าว่าโซเฟอร์นั้นได้เรียนได้สอนเคารพในกฎกติกาในการขับรถโซเฟอร์คนนั้นก็เป็นผู้ ม, มีนิ ส, สัยดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี เขารถกฎหมายที่ดีแต่ถ้าว่าโซเฟอร์เกเรเ ก, เกตุ่กินเหล้าเมายาเป็นคนเลวอีกต่างหากเมื่อขับรถคันนั้นรถคันนี้ันนั้นทั้งเฉียวทั้งชนไม่เกรงโกกลัวใครแบบบีบแกดา่าด่าไปหมดคือเบียบแกก็คืออะไรคือดาคนาคือโซเฟอร์ไม่มีมารยาทบีบแกดา่าและก็เฉียวชนคนอีกเพราะว่าไม่กลัวบาต เห็นสัดเห็นหมาอะไรเยียบราวไปหมดคิดว่าที่ไม่เป็นอันตรายกับรถตนเองไม่ได้เกรงใจนี่แหละอันนี้แปลว่าโซเฟอร์ไม่ได้รับการอบรมโซเฟอร์ไม่รู้จักบาบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกโซเฟอร์ตัวนี้ควรจะได้รับการอบรมว่าให้เป็นคนดีที่มีมารยาทให้มีคุณธรรมสีลเรืธรรมจริยธรรมแต่ท่านบอกว่าร่างกายให้มีจุดจบนะ ตายเป็นตายแล้วไปไปเผาไฟทิ้งแต่ตัวนมามธรรมตัวนั้นน่ะไม่ตายเออหลวงตาหมหาบัวท่านยืนยันว่าไม่มีป่าชา้าใจไม่มีป่าชา้าแต่ร่างกายมีป่าชา้าเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาในจุดนี้นะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสัมผัสเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรูวใจวิธีการรดูใจดูยังไงที่พระพุทธเจ้าท่านไปดูทั้ง น, นั่งสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารั้วหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกมีสติสัมผััญญาในลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจเราไม่คิดถึงอดีตไม่จิตใจของเราไม่คิดถึงอนาคตใจของเราความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่ในปัจจุบันที่ปลายจมูกจากนั้นใจของเราก่รวมสงบลงเป็นหนึ่ง เมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งนิ่งท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านได้ยานรัตนยานรัตนะคือฌานพระพองค์ได้ฌานคือว่าจิตสงบในตน้โ น, โนโคนต้นโพนุบเพนิวา่าสานุจติญาณพระพุทธองค์ละลึกละลึกชาติขนหลังได้เรามาจากไหนมาเกิดมาถึงจุดนี้ชาติที่แล้วมเราเป็นอะไรพระองค์รู้ได้หมด เ, เรียงลำดับพระองค์ได้ ชาติที่แล้วเราอยู่บนสวรรค์ก่อนที่จะลงมาเกิดเป็นศิทธาตุก่อนที่จะขึ้นไปสวรรค์เราเป็นไข่เรามาจากพระเวสสันดรก่อนที่จะเป็นพระเวสสันดรมาจากไหนพระองค์ไล่เรียงลำดับการเป็นมาของวิญญาณของพระองค์จเจ้าเหยียดเพราะอะไรท่านบอกว่าตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกอันนี้แหะคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราศึกษาในจุดนี้นะ ให้พวกเราคณะสัตยาธาญญาิโยอยาเพึ่งประเสธอย่าเพิ่งรับทีเดียวที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่อย่าเพิ่งเชื่ออและพยายาเพิ่งปฏิเสธให้ทดสอบทดลองให้นั่งสมาธิดูพระพุทธองค์ท่านบอกว่าดูก่อนสารีบ ท, ที่เราตถาคตพูดไปเนี่ยท่านเชื่อไหมภาษาเรียบบกราบโทนพระพุทธเจ้าอย่างก่อนพระเจ้าค่ะเพราะข้ายังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้านําไปปฏิบัติแล้ว ข้าพพุทธองค์จกมากราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลับนี่แหละขนาดพระพุทธเจ้าให้ถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรยังไม่ยอมรับยังไม่เชื่อแต่จะไปนําไปปฏิบัติดูก่อนนี่คงเหมือนกัน <c oughs> ที่หลวงพ่อได้พูดให้กับคณะสัตยาติโยมฟังเนี่ยนะพวกท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งเชื่อแต่ให้นําไปปฏิบัติถ้ายังไม่ได้นําไปปฏิบัติแนละ้ยังไม่เชื่อแต่ถ้าไม่นําปฏิบัติเลยอันนั้นก็โง่อีกประเภทหนึงเหมือนกัน ทั้งที่ไม่ได้นําไปปฏิบัติแล้วยังปฏิเสธอีกอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันต้องนําไปปฏิบัติดูก่อนที่คาพูดหรือคําตรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยเจงไม้นี่แหละเรียกว่าปุบเพนิวาสานุจติญาณพอถึงเที่ยงคืนจตูปปาจตูปปาตาญาณการจุติการเกิดการตายของสัพพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งท่านรู้ว่าฟินญาได้มาจากไหนเกิดมาจากไหนมาที่นี่ พวกเราเกิดมาทำไมไม่เหมือนกันนั่งอยู่ด้วยกันไม่เหมือนกันคนหนึ่งเนี่ยตำยศตแหน่งก็สูงแล้วก็มีปัญญาแล้วก็บางคนก็พิกงพิ ก, การบางทีก็ฐานะสูงต่มต่างกันความร่ำรวยต่างกันความสุขต่างกันทำไมไม่เหมือนกันเพราะพรธเจ้าท่านว่ากรรมคือการกระทำถ้าว่าเรา ทำกรรมไม่ดีในอดีตกรรมไม่ดีในอดีตจะต้องมาให้ผลเราจะได้รับความเดือดร้อนเออสมัยเราเป็นเด็กเราขี้เกียจเรียนหนังสื อ, เ, อ, อเราไม่ใส่ใจเกเรเรามองโดยเสี้ยวเนี่ยแหละสมัยเป็นเด็กเขาทำเราเขาทำกรรมไม่ดีเขาเป็นคนขี้เกียจแล้วจะเป็นคนดีได้อย่างไรถ้าว่าเขาเป็นคนดีมันขยันในการเรียนการศึกษาความรู้ของเขา เรียนได้ดีกรรมดีที่เขาทำในอดีตมาส่งถึงปัจจุบันเขาก็ต้องได้รับได้รับผลกรรมที่ดีเพราะเขาทำกรรมดีเอาไว้อันนี้ก็คือกรรมปัจจุบันแต่กรรมในอดีตแต่ชาติน่ะเราทำกรรมไม่ดีไว้กรรมไม่ดีจะตามสนองเพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านมองดูแล้วบอกพวกเราท่านทั้งหลายเป็นไปด้วยกรรมกรรมคือการกระทาการกระทาทำได้สามทางกายกรรมมโนกรรม มนโนกรรมก็คือคิดทางใจกายกรรมก็คือทางทางการการกระทําทางกายไหวจีกรรมก็คือการพูดการทํากรรมทำได้3ามทางเพราะนั้นพระพุทธองค์จริงบอกกล่าวพวกพุทธบริษัทพระองค์ว่ากรรมชั่วอย่าทําเฉยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วจะให้จะทําตนให้เดือดร้อนเมื่อภายหลังในพระบาลีท่านว่าอ ก, อกตังทุ ก, กตังเสยโย ปัจฉาตปฏิดกกระตังกรรมชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไอันี้แหละคือโอวาทปฏิโมกเพราะนั้นขอให้พวกเราพระราษฎรญาติโยมทุกๆท่านให้ฟังเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีอย่าทำเสลยดีกว่าเมื่อเราทำลงไปแล้ว สิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือด ร, ร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านได้ศึกษาธรรมะและก็พร้อมการหลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาศรรีเบื้องต้วนว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภ็สำปทาสีเลนะนิพุติญันติ ได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาร ำ, ำคําสอนของพระพุทธเจ้าสีเลนะสุขติยันติผู้จะได้ดิได้ดีไปสู่สุขคติได้เป็นต้องเป็นผู้มีศิน เ, เป็นผู้มีสินสีเลนโะโพก็สัมปทานผู้ที่มีโพค้สมบัติได้เพราะสินสีเลนะนิ้ผู้ติยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้เพราะสินสาหรับฆราวาสญาติโยมสินห้า สำหรับสินของพระก็คือศิน227ศินสำเนียงคือสินสิทธิ์สินคารวะพูดเข้าไปสู่ส่วนลึกเรียว่าบวชเป็นชีพรามอันนั้นคือศิน8แต่ทำสําหรับพระพุทธองค์ท่านบัญญัติสินสำหรับคารวะญาติโยมท่านว่าเพียงศินห้าคณะจะเพียงพอเพราะว่าสินห่าเป็นสินคุ้มคลองโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นถุกได้ถ้ามีศินห้าถ้าคนขาดสินห้ามากๆจะเดือดร้อน เพราะเหตุไรเพราะว่าพรอทํากรรมที่สิ่งที่มันไม่ดีสินห้าของพระพุทธเจ้านี่คืออะไรอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รับแต่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยอธิบายให้ฟังนะพออาราธนาสินกับอยากหลวงพ่อได้พูดพอราตนาสินกหลวงพ่อก็ให้สินแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไปในสถานที่ต่างจะพยายามพูดเรื่องของศินให้กับคณะสัทยาญาณโยมได้ฟังศินข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมะนี อย่าคิดฆ่ากันถ้าเราไปคิดฆ่าเขาเขาคิดฆ่าเราตัวชี้หาความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าวงศาคณะญาติของเขาที่เขาไม่ผิดกฎหมายเราไปฆ่าเขาถ้าเรามีหน้าที่อย่างตำรวจเราก็ทำตามกฎกติกากฎหมายบ้านเมืองทำให้ทำอย่างไรเราก็ทำตามกฎนะเราไม่ได้ทาตามอานาจของเรา ความอยากฆ่าของเราไม่ใช่เออเราทําตามกฎกฎหมายบ้านเมืองมีเสร็จอย่างไรเราก็ทําตามกฎเพราะกฎหมายบ้านเมืองเขามีอยู่แล้วเ อ, อให้ทําอะไรอันนี้ก็คือการทำํำรำตามกฎในเมื่อเราทํานอกกฎเออเราไปฆ่าเขา <Yeah. S 1> เขามาฆ่าพ่อฆ่าแม่เราเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่พี่น้องพ้องเขาเขาเสียความรู้สึกเขามาฆ่าเราเราก็เสียความรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าคิดฆ่ากัน อันนี้คือสินข้อที่หนึข้อที่สองอธินาธานาเวรมณียาปิคิดขโมยของคนอื่นเขาเมื่อเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขาไปเรียกค่าไถ่เขามาเรียกพ่อแม่พี่น้องของเราลักขโมยของพ่อแม่พี่น้องของเราไปเรียกค่าไถ่เราก็เสียใจเช่นเดียวกันเขาก็เสียใจเราก็เสียใจเพราะอะไรเพราะเขามาขโมยของเรา ข้อที่สามกาเมสุมิจชาราเวรมาเนสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแขนของเขาต่างคนก็ต่างมีให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเราไปไม่เคารพสิทธิ์ของเขาเขาไม่เคารพสิทธิ์ของเราโลกทั้งโลกจะยุ่งเหืองวุ่นวายเพราะไเพราะว่าไม่เคารพสิทธิ์กันอันนี้ก็คือสามีภรรยาข้อที่สมุสาวาทาเวรมาเน อย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโ ก, กหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเพราะเป็นหลอกของเขาหลอกเขาเขาต้มตุ๋นหลอกลวงเข า, าหลอกลวงทุกวันมีเยอะเหลือเกินอจนบริยายไม่จบเขียนเช็คต่องเขียนเช็คแต่งคดโกงเงินในธนาคารในธนาคารก็หลอกต้มตุ๋นมีมากมายทุกวัน ในเรื่องโกหกต้มตุ๋นเพราะนั้นอย่าตกโกหกต้มตุ๋นหลอกหลวงคนอื่นเขาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีให้พวกเราสังเกตจะเป็นหมูพ่อเพื่อนจะเป็นใครก็าตามโกหกตอนตอแหลต่อนหน้าเราอยู่บ่อยเออันนั้นไม่ควรจะเชื่อถือเพราะคนที่ชอบโกหกแล้วเนี่ยจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพอทําความชั่ ว, วเขาละโกหก พอพูดไปแล้วก็โกหก พ, อ, พ, อ, พอน้สุขก็เลยทำความชั่วจนเป็นอาจินนนี่แหละพราะพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นข้อที่หสุราเมรยะมัชชาประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์ตลอดถึงคัญชายาฝิ่นเฮโรอินยาบ้ายามามากมายทุกวันนี้เพราะบ้านเมืองเจริญ แต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามเศพเลือดื่มเข้าไปแล้วขาดจติตเมื่อขาดจติตแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเรื่องของเมินเมาเมื่อขาดจติตท่าจะเปรียบเทียบกับเหมือนอาคารหลังนี้แหละเหมือนหลังคาเออคล้ายๆกับหลังคาเรื่องสุราเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์เรื่องคัญชาเยาวฟิลเหมือนหลังคาอาคารหลังนี้แหละ ถ้าว่าอาคารไม่มีหลังคาล่ะแดดออกมาก็ร้อนฝนตกออกมาก็เปียกเสียหายหมดเพราะเหตุไรเพราะบ้านไม่มีหลังคานี้ก็เหมือนกันคนที่ไป ม, มีสติอยู่กับตัวเองคนขาดจะตเพราะคนกินเหล้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแล้วคนคนนั้นจะดีได้อย่างไรเมื่อคนขาดจติตทำความชั่วในทุกอย่างในต่างหากจะฆ่าใครก็ได้ เพราะะไรพ่ขาดสติขโมยไใครก็ได้เพ่อขาดสติ ล, ลาบลาล่วงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้พ่อขาดสติโกโกหกใครก็ได้พ่อขาดสติศีลข้อที่ห้าพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามเนี่ย น, นะสินข้อที่ห้าเป็นสินอันตรายที่มากๆคนที่เข้าคุกเข้าตารางทุกวันนี่ไม่น้อยเลยเรื่องสินผิดศินข้อที่ห้าเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัท ย, ยาติโยอมลูกหลานทุกคนนะ ที่เฝ้าพูดฟอกพูดให้ฟังเรื่องกฎระเบียบเนี่ยใครใครเขไม่ชอบนะเรื่องกฎหมายใครก็ไม่ชอบแต่ถ้าทุกคนร่วงละเมิดกฎหมายกันทุกคนเราชอบไหมเราก็ไม่ยิ่งไม่ชอบอีกถ้าว่าทุกคนมีกฎกติกาอยู่ด้วยกันชอบไหมถึงจะไม่ชอบก็มีดีกว่าดีกว่าที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันถ้ามีศินใครก็ไม่ชอบเรื่องศินแต่ว่าถ <outsiders S 2> ้าคนไม่มีสินล่ะเราชอบไหมไม่ชอบ ยิงไม่ชอบเลยเพราะมันอันตรายน่ากลัวมากคนที่ไม่มีศินถ้าทุกคนมีศินล่ะันดีกว่านะเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับคณะทาญาิโยมลูกหลาทุกคนนะการทําคุณงามความดีนับหนึ่งจากข้าพเจ้านะนับหนึ่งจากตัวของเราเพราะฉะนั้นจะไปคิดว่าคนอื่นควรจะเป็นผู้มีศินไม่มีศีลนะนับหนึ่งข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้คุณค่าของศินแล้วข้าพเจ้าจะสํารวมระหว่างตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะงด ดื่มสุราเพราะดื่มมาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรข้าพเจ้าพอเมื่อได้ยินหลวงพ่อพูอดให้ฟังเออชายข้าพเจ้าจะงดดื่มสุราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยหลวงพ่ออยากจะได้กินอย่างานนะั้นตอนนี้ไปก็การกล่าวสมโมธนิจกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสงวรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพ ร, รีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกและด้วยอปัปพุนบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาขอให้มาคุ้มครองคณะสัทธา ญ, ญาิโยมโลูกหลานทุกคนจงมีแต่ความสุข ก, กายสบายใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเธิน